ประมาสจตุกะหนึ่งกุศลติกะหนึ่งถึงเจ็ปฏิจจวาระเป็นต้นปัจจะยะจตุกนัยเหตุปัจจัยหนึ่งสภาวธรรมที่ไม่เป็นปรามาสซึ่งเป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นปรามาสซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อสองเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระอารมณปัจจัยมีหนึ่งวาระ และถึงอวิคตะปัจจัยมีหนึ่งวาระย่อสหชาตะวาระละถึงปัญหาวาระทุกปัจจัยมีปัจจใจละหนึ่งวาระ 3. สภาวธรรมที่ไม่เป็นปรามาซึ่งเป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นปรามาซึ่งเป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นปรามาซึ่งเป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นปรามาซึ่งเป็นอกุศล เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นปรามากซึ่งเป็นอนขุศลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นปรามากและที่ไม่เป็นปรามากซึ่งเป็นอนุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อ 4. เหตุปัจจัยมีห้าวาระอารมณปัจจัยมีห้าวาระละถึงอวิคตาปัจจัยมีห้าวาระย่อหน้หเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระ ณอธิปฏิปัจจใจมีห้าวาระณปุเรชาติปัจจใจมีห้าวาระณปัจฉาชาติปัจจใจมีห้าวาระละถึงนกรรมปัจจัยมีสามวาระละถึงนวิปุจจะปัจจใจมีห้าวาระย่อพึ้นขยายาชาติวาระละถึงสัมปยุตตาวาระให้พิดารณหสภาวธรรมที่ไม่เป็นปรามาสซึ่งเป็นอคุศล เป็นปัจจัยก่สภาวะธรรมที่ไม่เป็นปรามาสซึ่งเป็นอกุศลโดยเหตุปัจจัยย่อ 6. เหตุปัจจัยมีสามวาระอารมณ์ปัจจัยมี9้าวาระอธิปติปัจจัยมีเ้าวาระและถึงสหชาติปัจจัยมีห้าวาระอัญญมัญญปัจจัยมีห้าวาระนิสียปัจจัยมีห้าวาระอุปานิสียปัจจัยมีเ้าวาระอาเสวะนปัจจัยมีเ้าวาระ กรรมปัจจัยมีสามวาระมหารปัจจัยมีสามวาระอินทรียปัจจัยมีสามวาระชาณปัจจัยมีสามวาระมคคะปัจจัยมีห้าวาระสำยุตตปัจจัยมีห้าวาระและถึงอวิคตะปัจจัยมีห้าวาระย่อพึงนับเหมือนอนุโลมปัจนิยะอนุโลมม่ปัจนิยะและปัจนิยานุโลมแห่งปัญหาวาระ ในขุศรติกะที่นับไว้แล้วเจสภาวาธรรมที่ไม่เป็นปรามาซึ่งเป็นอัพยากฤิอาศัยสภาวาธรรมที่ไม่เป็นปรามาซึ่งเป็นอัพยากฤิเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปใ จ, จย่ยอแปดเหตุตุปใ จ, จมีหนึ่งวาระอรมาณะปัจใจมีหนึ่งวาระและถึงอวิคตปัจใจมีหนึ่งวาระยอ่อพึงขยายสหาชาตวาระและถึงปัญหาวาระ ทุกปัจจัยมีปัจจัยละหนึ่งวาระห้าสิบเอ็ดปรามัทธุกะหนึ่งกุศลติกะหนึ่งปฏิจจวาระปัจจะยะจตุกนัยเหตุปัจจัยเกสภาวธรรมที่เป็นอารมณ์ของปรามาตถซึ่งเป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอารมณ์ของปรามาตซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุ ป, ปัจจัย สภาวธรรมที่ไม่เป็นอารมณ์ของปรามาซึ่งเป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอารมณ์ของปรามาซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยยอ่อสิเหตุตุปัจจัยมีสองวาระอารมณปัจจัยมีสองวาระและถึงอวิคตาปัจจัยมีสองวาระยอ่อพึงขยายสงชาติวาระและถึงปัญหาวาระให้พิดารณาสิบเอด สภาวธรร th มที่เป็นอารมณ์ของปารมาซึ one one ่งเป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอารมณ์ของปารมาซึ่งเป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อ 12. เหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระอาริมณปัจจัยมีหนึ่งวาระและถึงอวิคตะปัจจัยมีหนึ่งวาระย่อสหัชชาตวาระและถึงปัญหาวาระทุกปัจจัยมีปัจจัยละหนึ่งวาระ สิสภาวธรรมที่เป็นอารมณ์ของปราม่าซึ่งเป็นอัพญากฤิอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอารมณ์ของปราม่าซึ่งเป็นอัพยากฤิเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอารมณ์ของปราม่าซึ่งเป็นอัพยากฤิอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอารมณ์ของปราม่าซึ่งเป็นอภิญากฤิเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมทีม่เป็นอารมณ์ของปราม่าซึ่งเป็นอัพยากฤิ อาศัยสภาวะธรรมที่เป็นอารมณ์ของปรามารและที่ไม่เป็นอารมณ์ของปรามารซึ่งเป็นอัพยกฤะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยยอ่อ14เหตุปัจจัยมีห้าวาระอารมณปัจจัยมีสองวาระละถึงอาเสวณปัจจัยมีหนึ่งวาระและถึงอวิคตาปัจจัยมีห้าวาระยอ่อเพื่อขยายสหัชชะวาระ ละถึงปัญหาวาระให้พิดารณาห้าสิบสองประมาณศาสัมปยุตตะทุกะหนึ่งกุสละเถกกะหนึ่งถึงเจ็ดปฏิจจาวาระเป็นต้นปัจาจะยะจะตุกนยัยเหตุปัจใจสิบห้าสภาวธรรมที่วิปิยุจจะปรามาซึ่งเป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่วิปิยุจจะปรามาซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยยอ่อสิบห เหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระอารมณปัจจัยมีหนึ่งวาระและถึงอวิคตาปัจจัยมีหนึ่งวาระย่อสหชาตะวาระและถึงปัญหาวาระทุกปัจจัยมีปัจจัยละหนึ่งวาระ17สภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยปรารมาซึ่งเป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยปรารมาซึ่งเป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย สภาวธรรมที่วิปิยุจากปรามาซึ่งเป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่วิปิยุจากปรามาซึ่งเป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อ 18. เหตุปัจจัยมีสองวาระอริมณปัจจัยมีสองวาระทุกปัจจัยมีปัจจัยละสองวาระอวิคตาปัจจัยมีสองวาระย่อณเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระณทิปติปัจจัยมีสองวาระ ทุกปัจจัยมีปัจจัยละสองวาระณวิปยุตตปัจจัยมีสองวาระย่อพึงขยายสหสชาตะวาระละถึงสัมปยุตตะวาระให้พิจารณาสิ 19. สภาวธรรมที่สัมปยุต์ด้วยปรารมาซึ่งเป็นอกุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุต์ด้วยปรารมาซึ่งเป็นอกุศลโดยเหตุ ป, ปัจจัยสภาวธรรมที่วิปยุตจากปรารมาซึ่งเป็นอกุศล เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่วิปยุจจ์ปามาซึ่งเป็นอกุศลโดยเหตุกปัจจัยย่อยี่สิเหตุกปัจจัยมีสองวาระอารมณะปัจจัยมีสี่วาระอธิปติปัจจัยมีสี่วาระในถ้ำกลางและในเบื้องปลายมีอารมณนาธิปติปัจจัยอเ น, นตรปัจจัยมีสองวาระและถึงสหชาตะปัจจัยมีสองวาระละถึง อุปาณิเ ha so สียป ah, ัจใจมีสี่วาระอาเสวนปัจจัยมีสองวาระกรรมปัจจัยมีสองวาระอาหารปัจจัยมีสองวาระและถึงมรรคปัจจัยมีสองวาระและถึงอวิคตาปัจจัยมีสองวาระย่อยี่สิอสภาวธรรมที่วิปิยุจฉาปารมาซึ่งเป็นอัพยากฤิอาศัยสภาวธรรมที่วิปิยุจฉาปารมาซึ่งเป็นอัพยากฤิ เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อ22เหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระอารมณปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีหนึ่งวาระยอ่อสหชาตาวาระละถึงปัญหาวาระทุกปัจจัยมีปัจจัยละหนึ่งวาระ53ประมาจสะประมาททุกะหนึ่งกุศลติกะหนึ่งถึงเ ปฏิเจวาระเป็นต้นปัจญญจะยะจตุกนัยยี่สิบสามสภาวธรรมที่เป็นอารมณ์ของปรารมาแต่ไม่เป็นปรามาซึ่งเป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอารมณ์ของปรารมาแต่ไม่เป็นปรามาซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจย่ยอยี่สิบสี่เหตุตุปัจมีหนึ่งวาระอารมณปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงอวิคตาปัจจัยมีหนึ่งวาร ะ, ะ, ะย่ะยอ ซาชาตะวาระและถึงปัญหาวาระทุกปัจจัยมีปัจจัยละหนึ่งวาระยี่สิห้าสภาวธรรมที่เป็นอารมณ์ของปรามาแต่ไม่เป็นปามาซึ่งเป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นปรามาและเป็นอารมณ์ของปรามาซึ่งเป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระสภาวธรรมที่เป็นอารมณ์ของปารมาแต่ไม่เป็นปามาซึ่งเป็นอกุศล อาศัยสภาวธรรมที่เป็นอารมณ์ของปรารมาแต่ไม่เป็นปรารมาซึ่งเป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระสภาวธรรมที่เป็นอารมณ์ของปรารมาแต่ไม่เป็นปรารมาซึ่งเป็นอคุศนอาศัยสภาวธรรมที่เป็นปรารมาเป็นอารมณ์ของปรารมาและที่เป็นอารมณ์ของปรารมาแต่ไม่เป็นปรารมาซึ่งเป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจย่อยี่สิบหก เหตุปัจจัยมีห้าวาระอารมณปัจจัยมีห้าวาระและถึงอวิคตาปัจจัยมีห้าวาระย่อพึงขยายสหชาติวาระและถึงสัมปยุตตาวาระให้พิจารณายี่สภาวธรรมที่เป็นอารมณ์ของปรารมาแต่ไม่เป็นปรารมาสซึ่งเป็นอกุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอารมณ์ของปรารมาแต่ไม่เป็นปรารมาซึ่งเป็นอกุศลโดยเหตุปัจจัย ย่อยีสิบเหตุปัจจัยมีสามวาระอารมณปัจจัยมี9้าวาระอธิปติปัจจัยมี9้าวาระละถึงอวิคตาปัจจัยมีห้าวาระยอ่อพึงนับเหมือนอนุโลมปัจจ尼ยอนุโลมปัจจ尼ยและปัจจ尼ยะนุโลมแห่งปัญหาวาระในขุสลติกกะที่นับไว้แล้วยีสิบเสภาวะธรรมที่เป็นอารมณ์ของปรามาแต่ไม่เป็นปรามา ซึ่งเป็นอัพยากฤิอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอารมณ์ของปรารมาแต่ไม่เป็นปรารมาซึ่งเป็นอัพยากฤิเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อ30เหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระอาริมณปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงอวิคตาปัจจัยมีหนึ่งวาระยอ่อชาชาตะวาระละถึงปัญหาวาระทุกปัจจัยมีปัจจัยละหนึ่งวาระห้บสี่ ประมาณจะวิปยุตตะปรามัททุกะหนึ่งบูชลติกะหนึ่งปฏิจจวาระปัจยยะจตุกนัยเหตุปัจใจสามสิบเอ็ดสภาวธรรมที่วิปยุจากปรามาแต่เป็นอารมณ์ของปรามาซึ่งเป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่วิปยุจากปรามาแต่เป็นอารมณ์ของปรามาซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย สภาวะธรรมที่วิปยุจจากปรามาสและไม่เป็นอารมณ์ของปรามาซึ่งเป็นกุศลอาศัยสภาวะธรรมที่วิปยุจจากปรามาและไม่เป็นอารมณ์ของปรามาซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยย่อ32เหตุุปัจจัยมีสองวาระอารมณปัจจัยมีสองวาระละถึงอวิคตาปัจจัยมีสองวาระย่อเหมือนกับโลภียะทุกกะและโลกุตระทุกกะ เพงขยายสหช า, าตะวาระละถึงปัญหาวาระให้พิจารณาสาสสาสภาวธรรมที่วิปยุจจ์ปรามาตแต่เป็นอารมณ์ของปรามาตซึ่งเป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่วิปยุจจ์ปรามาตแต่เป็นอารมณ์ของปรามาตซึ่งเป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยทุกปัจจัยมีปัจจัยละหนึ่งวาระสามสิบสี่ สภาวธรรมที่วิปิวิจักรารมาแต่เป็นอารมณ์ของปรารมาซึ่งเป็นอัพยากฤิตอาศัยสภาวธรรมที่วิปิวจากรารมาแต่เป็นอารมณ์ของปรารมาซึ่งเป็นอัพยากฤิตเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจสภาวธรรมที่วิปิวจากรารมาและไม่เป็นอารมณ์ของปรารมาซึ่งเป็นอัพยากฤิตอาศัยสภาวธรรมที่วิปิวจากรปามาและไม่เป็นอารมณ์ของปรารมาซึ่งเป็นอภิยากฤิตเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจมีสามวาระ สภาวธรรมที่วิปิวิจาปรารมาสแต่เป็นอารมณ์ของปรามาซึ่งเป็นอภิญากฤิอาศัยสภาวธรรมที่วิปิวิจารปารมาแต่เป็นอารมณ์ของปรามาและที่วิปิวิจารปารมาไม่เป็นอารมณ์ของปรารมาซึ่งเป็นอัพญากฤิเกิดขึ้นพระเหตุตุปปัจจัยย่อสามสิบห้าเคตุปปัจจัยมีห้าวาระอารมณปัจจัยมีสองวาระละถึงอาศัยวุณปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึง อวิคตะปัจใจมีห้าวาระย่อเหมือนกับโลกิยทุกะพึงขยายสหชาตะวาระละถึงปัญหาวาระให้พิดารประมาณสาโคจกะและกุสลเตกะจบ สารมณทุกกะหนึ่งปุสละตุกะหนึ่งถึงเจ็ปฏิจจวาระเป็นต้นปัจจยะจตุกนยัยเหตุปัจใจหนึ่งสภาวธรรมที่รับรู้อารมณ์ได้ซึ่งเป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่รับรู้อารมณ์ได้ซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยพึงขยายให้พิจารณาเหมือนกุศลที่มีปัจจัยปรุงแต่งสอง สภาวธรรมที่รับรู้อารมณ์ได้ซึ่งเป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่รับรู้อารมณ์ได้ซึ่งเป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยพึงเพิ่มเหมือนกับอกุศลที่มีปัจจัยปรุงแต่งสสภาวธรรมที่รับรู้อารมณ์ได้ซึ่งเป็นอภพยากฤิตอาศัยสภาวธรรมที่รับรู้อารมณ์ได้ซึ่งเป็นอภพยากฤิตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระ สภาวธรรมที่รับรู้อารมณ์ไม่ได้ซึ่งเป็นอัพยากฤิตอาศัยสภาวธรรมที่รับรู้อารมณ์ไม่ได้ซึ่งเป็นอัพยากฤิตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่รับรู้อารมณ์ได้ซึ่งเป็นอัพยากลิตรอาศัยสภาวธรรมที่รับรู้อารมณ์ได้และที่รับรู้อารมณ์ไม่ได้ซึ่งเป็นอัพยากฤิตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระย่อ 4. เหตุปัจจัยมีห้วาระ อารมณปัจจัยมีสามวาระอธิปฏิปัจจัยมีห้าวาระละถึงอัญญมัญญปัจจัยมีหกวาระละถึงปุเรชาตปัจจัยมีหนึ่งวาระอาสิวนปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงอวิคตาปัจจัยมีก้าวาระย่อนเหตุปัจจัยมีก้าวาระนารามณปัจจัยมีสามวาระนัธิปฏิปัจจัยมีก้าวาระ ละถึงณบุเรชาตปัจจัยมีเ้าวาระณปัจฉาชาตปัจจัยมีเ้าวาระณอเสวณปัจจัยมีเ้าวาระนกรรมปัจจัยมีสองวาระณวิปากปัจจัยมีห้าวาระณอาหารปัจจัยมีหนึ่งวาระณอินทรียปัจจัยมีหนึ่งวาระนชานะปัจจัยมีสองวาระนมค้าปัจจัยมี9้าวาระณสมยุตตปัจจัยมีสมวาระ นวิปยุตตปัจจัยมีสองวาระโนนัิปัจจัยมีสาวาระโนวิคตะปัจจัยมีสามวาระเหตุปัจจัยอรมะนปัจจัยและอธิปติปัจจัย 5. สภาวธรรมที่รับรู้อารมณ์ได้ซึ่งเป็นอัพยากฤิเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่รับรู้อารมณ์ได้ซึ่งเป็นอัพญากริโดยเหตุปัจจัยมีสามวาระ 6. สภาวธรรมที่รับรู้อารมณ์ได้ซึ่งเป็นอัพยากฤิ เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่รับรู้อารมณ์ได้ซึ่งเป็นอัพยากฤิตโดยระมณะปัจจัยสภาวธรรมที่รับรู้อารมณ์ไม่ได้ซึ่งเป็นอัพยากฤิตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่รับรู้อารมณ์ได้ซึ่งเป็นอภิญากฤิตโดยระมณะปัจจัย 7. สภาวธรรมที่รับรู้อารมณ์ได้ซึ่งเป็นอัพยากฤิตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่รับรู้อารมณ์ได้ซึ่งเป็นอภิญากฤิตโดยทุปติปัจจัยมีสองอย่าง คืออารมนาทิปติและสหชาตาทิปติมีสามวาระสภาวะธรรมที่รับรู้อารมณ์ไม่ได้ซึ่งเป็นอภยากฤิตเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่รับรู้อารมณ์ได้ซึ่งเป็นอภยากฤิตโดยทิปติปัจจัยมีอย่างเดียวคืออารมนาทิปติ ย, อจจย่อ 8. เฮตุปัจจัยมีสามวาระอารมณปัจจัยมีสองวาระธิปติปัจจัยมีสี่วาระ พนันตระปัจจัยมีหนึ่งวาระสาหะชาตปัจจัยมีเจดวาระอัญญามัญญาปัจจัยมีหวาระนิเชียปัจจัยมีเจดวาระอูปานิเชียปัจจัยมีสองวาระปุเรชาตปัจจัยมีหนึ่งวาระปัชชาชาตปัจจัยมีหนึ่งวาระมาเสวนปัจัยมีหนึ่งวาระกามปัจจัยมีสามวาระวิปากปัจจัยมีสมวาระอหารัปัจจมีสี่วาระ อินทรียปัจจัยมีหกวาระชานะปัจจัยมีสามวาร ะ, าะจจมัคคะปัจจัยมีสามวาระสัมยุตตปัจจัยมีหนึ่งวาระวิปยุตตปัจจัยมีสองวาระละถึงอวิคัตะปัจจัยมีเจดวาระย่อห้าสิบหกจิตตทุกะหนึ่งกุศลตะเกะหนึ่งพึงเจตปฏิจจวาระเป็นต้นปัจจะยะจตุขไน เหตุปัจจัยเกสภาวธรรมที่ไม่เป็นจิตซึ่งเป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นจิตซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นจิตซึ่งเป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นจิตซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุถูปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นจิตและที่ไม่เป็นจิตซึ่งเป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นจิตซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย สภาวธรรมที่ไม่เป็นจิตซึ่งเป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่เป็น จ, จิตและที่ไม่เป็น จ, จิตซ of er. ึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยย่อสติเหตุปัจจัยมีห้าวาระอารมณปัจจัยมีห้าวาระทุปปัจจัยมีปัจจใจละห้าวาระอวิคตะปัจจัยมีห้าวาระนาทิฏิปัจจัยมีห้าวาระนาบุเรชาตะปัจจัยมีห้าวาระ ณปัจฉาชาติปัจจัยมีห้าวาระณออเสวนปัจจัยมีห้าวาระนกัมมปัจจัยมีสามวาระณวิปปะปัจจัยมีห้าวาระนวิปยุตตปัจจัยมีห้าวาระย่อพึงขยายสหาชาติวาระและถึงสัมยุญตะวาระให้พิจารณาสอสภาวธรรมที่ไม่เป็นจิตซึ่งเป็นขุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นจิตซึ่งเป็นขุศล โดยเหตุตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นจิตซึ่งเป็นกุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นจิตซึ่งเป็นกุศลโดยเหตุตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นจิตซึ่งเป็นกุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นจิตและที่ไม่เป็นจิตซึ่งเป็นกุศลโดยเหตุตุปัจจัยย่อสิบสองเหตุตุปัจจัยมีสามวาระอารมณปัจจ uh ัยมีเก้าวาระอธิปติปัจจัยมีเก้าวาระ อนันตระปัจจัยมี9ก้าวาระละถึงสหชาตปัจจัยมีห้าวาระอัญญมัญญะปัจจัยมีห้าวาระนิสียปัจจัยมีห้าวาระอุปาณิสียปัจจัยมี9ก้าวาระเจวนะปัจจัยมี9ก้าวาระกรมมปัจจัยมีสามวาระมหาระปัจจัยมีห้าวาระอินทรียะปัจจัยมีห้าวาระชานะปัจจัยมีสามวาระมรรคปัจจัยมีสามวาระ สัมปยุตตปัจจัยมีห้าวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีห้าวาระย่อนเหตุปัจจัยมีเก้าวาระณอารมณะปัจจัยมีเก้าวาระย่อนอารมณะปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีสามวาระย่ออารมณะปัจจัยคำณ์ณเหตุปัจจัยมีเ้าวาระย่อพึงนับเหมือนอนุโลมปัจจน尼ยะอนุโลมปัจจน尼ยะ และปัจจินยานุโลมแห่งปัญหาวาระในกุศลติกะที่นับไว้แล้ว 13. สภาวธรรมที่ไม่เป็นจิตซึ่งเป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นจิตซึ่งเป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นจิตซึ่งเป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นจิตซึ่งเป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นจิตซึ่งเป็นอกุศล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 อารามณปัจจัยมีห้าวาระและถึงอวิคตะปัจจัยมีห้าวาระย่อเหมือนกับกุศลในจิตตทุกะในนเหตุปัจจัยก็พึงเพิ่มไว้พึงขยายสหชาตะวาระและถึงปัญหาวาระให้พิดารณาสิบห้าสภาวะธรรมที่ไม่เป็นจิตซึ่งเป็นอภยากฤิอาศัยสภาวะธรรมที่เป็นจิตซึ่งเป็นอภยากฤิเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย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 สภาวธรรมที่ไม <16. S 1> pues ่เป็นจิตซึ่งเป็นอัพยกระอาศัยสภาวธรรมที่เป็นจิตและที่ไม่เป็นจิตซึ่งเป็นอัพยากระิเกิดขึ้นเพราะเหตุุปัจจัย่อสิบหเหตุตุปัจจัยมีห้าวาระอรัมณะปัจจัยมีห้าวาระละถึงวิปากะปัจจัยมีห้าวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีห้าวาระย่อในเหตุตุปัจัจมีห้าวาระ นอารมณปัจจัยมีสวาระนาทิปติปัจจัยมีหวาระละถึงนาปุเรชาตปัจจัยมีหวาระนปัจฉาชาตะปัจจัยมีหวาระนเส세วะปัจจัยมีหวาระนกรรมะปัจจัยมีสวาระนวิปากะปัจจัยมีหวาระนอาหารปัจจัยมีหนึ่งวาระนอินทรียะปัจจัยมีหนึ่งวาระนาานะปัจจัยมีหวาระ ณมะขาปัจจัยมีหวาระณสัมปยุตตปัจจัยมีสมวาระณวิปยุตตะปัจจัยมีหวาระละถึงโนวิคตะปัจจัยมีสามวาระย่อพึงขยายสหชาตะวาระละถึงสัมปยุตตะวาระให้พิจารณาสิบสภาวธรรมที่ไม่เป็นจิตซึ่งเป็นอภยากฤิเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นจิตซึ่งเป็นอภยากฤิโดยเหตุตุปปัจจัยมีสามวาระ เึิ่งขยายข้อความที่เหมือนกับกุศลในจิตตทุกะให้พิจารณาสิบเหตุปัจจัยมีสามวาระอารมณะปัจจัยมีเก้าวาระอธิปติปัจจัยมีเก้าวาระอนันตระปัจจัยมีเก้าวาระละถึงสหชาตะปัจจัยมีห้าวาระอัญญมัญญปัจจัยมีห้าวาระมิเสียปัจจัยมีห้าวาระอุปาณิเสียปัจจัยมีเก้าวาระ ปุริชาตปัจจัยมีสามวาระปัจฉาชาตปัจจัยมีสามวาระอาสิวะณปัจจัยมีเ้าวาระกรมมปัจจัยมีสามวาระวิปากปัจจัยมีห้าวาระอาหาราปัจจัยมีห้าวาระอินทริยปัจจัยมีห้าวาระจานะปัจจัยมีสามวาระมัคคะปัจจัยมีสามวาระสัมำยุตตปัจจัยมีห้าวาระวิบยุตตปัจจัยมีห้าวาระ อธิปัจจัยมีห้าวาระนติปัจจัยมีเก้าวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีห้าวาระยอ่อห้าสิบเจ็ดเจตสิกะทุ ก, กะหนึ่งกุศลติกะหนึ่งถึงเจ็ดปฏิจจวาระเป็นต้นปัจจะยะจตุกนเหตุปัจจัยสิบเก้าสภาวธรรมที่เป็นเจตสิกซึ่งเป็นกุศล อาศัยสภาวธรรมท an. ี่เป็นเจตสิกซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปใจสภาวธรรมที okay. ่ไม่เป็นเจตสิกซึ่งเป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเจตสิกซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุตุจใจสภาวธรรมที่เป็นเจตสิกและที่ไม่เป็นเจตสิกซึ่งเป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเจตสิกซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปใจสภาวธรรมที่เป็นเจตสิกซึ่งเป็นกุศล อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเจตสิกซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นเจตสิกซึ่งเป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเจตสิกและที่ไม่เป็นเจตสิกซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัย่อยี่สิบเหตุปัจจัยมีห้าวาระอารมณปัจจัยมีห้าวาระอธิปติปัจจัยมีห้าวาระและถึงอวิคตปัจจัยมีห้าวาระ นัเหตุปัจจัยมีห้าวาระนัปุรชาตะปัจจัยมีห้าวาระละถึงนั่นปรมปัจจัยมีสามวาระนัวิปากปัจจัยมีห้าวาระละถึงนั่นวิปวิตปัจจัยมีห้าวาระยอ่อพึงขยายสงังฆาตะวาระเป็นต้นให้พิดารณายี่สิบเอ็ดสภาวธรรมที่เป็นเจตสิกซึ่งเป็นกุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นเจตสิกซึ่งเป็นกุศล โดยเหตุปัจจัยย่อยี่สองเหตุปัจจัยมีสามวาระอารมณปัจจัยมีก้าวาระอธิปติปัจจัยมีเก้าวาระในเบื้องต้นมีสามวาระเป็นสหชาตาธิปติปัจจัยในสามบทท่ำกลางมีวาระที่ประกอบด้วยอนุโลมเป็นท่มกลางอย่างเดียวเป็นสหชาตาธิปติปัจจัยอนันตระปัจจัยมีเ้าวาระและถึง ชาตาปัจจัยมีห้าวาระละถึงอุปนิสยปัจจัยมี9ก้าวาระอเสวนปัจจัยมี9้าวาระรามาปัจจัยมีสามวาระอหรปัจจัยมีห้าวาระอินทรียปัจจัยมีห้าวาระชานะปัจจัยมีสามวาระมัคคะปัจจัยมีสามวาระสำยุตตปัจจัยมีห้าวาระอธิปัจจัยมีห้าวาระนติปัจจัยมีเก้าวาระ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 เหตุปัจจัยมีห้าวาระอารมณปัจจัยมีห้าวาระและถึงอวิคัตปัจจัยมีห้าวาระยอ่อพึงเพิ่มน้เหตุปัจจัยเหมือนกับกุศลานัยพึงขยายสหชาติวาระและถึงปัญหาวาระให้พิจารณายี่สิห้าสภาวธรรมที่เป็นเจตสิกซึ่งเป็นอภิญากฤิอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเจตสิกซึ่งเป็นอัพยากฤิ เกิดขึ้นเพราะเหตุตุปปัตยใจสภาวธรรมที่ไม่เป็นเจตสิกซึ่งเป็นอัพญากฤิอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเจตสิกซึ่งเป็นอัพญากฤิเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปปัตยจสภาวธรรมที่เป็นเจตสิกและที่ไม่เป็นเจตสิกซึ่งเป็นอภิญากฤตอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเจตสิกซึ่งเป็นอัพญากฤตจเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปปัตยจสภาวะธรรมที่ไม่เป็นเจตสิกซึ่งเป็นอัพยากฤิ อาศ er <ล>ัยสภาวธรรมที่ไ er ม่เป็นเจตสิกซึ่งเป็นอัพยากฤิตรวมขึ้นพระเหตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่เป็นเจตสิกซึ่งเป็นอภิญญากริตรวมขึ้นพระเหตุปัจจัยมีสามวาระย่อยี่สิหเหตุปัจจัยมีห้าวาระอารมณปัจจัยมีห้าวาระ อธิปฏิปัจใจมีห้าวาระและถึงปุเรชาตปัจจัยมีห้าวาระอาเสวนปัจจัยมีห้าวาระรามาปัจจัยมีห้าวาระวิปากปัจจัยมีห้าวาระและถึงอวิคตปัจจัยมีห้าวาระย่อนเหตุปัจจัยมีห้าวาระนอารมณปัจจัยมีสามวาระนาธิปฏิปัจจัยมีห้าวาระพึงเพิ่มทั้งหมดละถึง นกก ร, รมปัจจัยมีสี่วาระนวิปากปัจจัยมีเ้าวาระณอาหารปัจจัยมีหนึ่งวาระณอินทริยปัจจัยมีหนึ่งวาระณัชานะ ะ, าปนะปะปัจจัยมีหกวารนะนมกมคปัจจัยมีเ้าวาระณสัมพยุตตปัจจัยมีสามวาระณวกบิยุตตะปัจจัยมีหกวาระละถึงโนวิภตปัจจัยมีสามวาระย่อ พึงขยายสหาชาติวาระเป็นต้นให้พิสดารยี่สิบเจ็ดสภาวธรรมที่เป็นเจตสิกซึ่งเป็นอัพยากฤตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นเจตสิกซึ่งเป็นอัพญากฤิตโดยเหตุปัจจัยย่อยี่สิบปดเหตุปัจจัยมีสามวาระอารมณะปัจจัยมีเก้าวาระอธิปติปัจจัยมีห้าวาระในที่นี้หกวาระมีสหาชาตาธิปติปัจจัย อันตระปัจจัยมีเก้าวาระและถึงสหชาตะปัจจัยมีเก้าวาระอัญญมัญญปัจจัยมีเก้าวาระนิสยปัจจัยมีเ้าวาระอุปนิสยปัจจัยมีเ้าวาระปุเรชาติปัจจัยมีสามวาระปัจฉาชาติปัจจัยมีสามวาระอาเสวนปัจจัยมีเ้าวาระระมะปัจจัยมีสามวาระวิปากะปัจจัยมีเก้าวาระ อาหารปัจจัยมีเ้าวาระอินทรีย์ปัจจัยมีเ้าวาระชานะปัจจัยมีสามวาระมรรคปัจจัยมีสามวาระสัมำยุตตปัจจัยมีห้าวาระวิปยุตตปัจจัยมีห้าวาระอธิปัจจัยมีเ้าวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีเก้าวาระย่อห้าสิบปดจิตตัมำยุตตทุกละหนึ่งกุศลติกะ 1-, 1 7ึ่งดปฏิจจวาระปัจจะยะตุกนัยเหตุปัจจัย29สภาวธรรมที่สัมปยุตวยจิตซึ่งเป็นกุศลอาศัย ส, สภาวธรรมที่สัมปยุตวยจิตซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยยอ่อ30เหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระอริมณปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงอวิคตาปัจจัยมีหนึ่งวาระยอ่อ ซาจ่าตวาระและถึงปัญหาวาระทุกปัจจัยมีปัจจใจละหนึ่งวาระ 31. สาสเอดสภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยจิตซึ่งเป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยจิตซึ่งเป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุ ป, ปัจจัยย่อสาสองเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระอารมณปัจจัยมีหนึ่งวาระและถึงอวิคตาปัจจัยมีหนึ่งวาระย่อ สหชาติวาระและถึงปัญหาวาระทุกป mm. uh ัจจ <yr> <rot> ัยมีปัจจัยละหนึ่งวาระอัพญากตะบทเหตุปัจจัยสาสภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยจิตซึ่งเป็นอัพยากฤิอาศัยสภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยจิตซึ่งเป็นอัพญากฤิเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่พิปยุทธ์จากจิตซึ่งเป็นอัพญากฤิอาศัยสภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยจิตซึ่งเป็นอัพญากฤิ เกิดขึ้นเพราะเหตุตุปปัจจัยสภาวธรรมที่สัมปะคุณด้วยจิตและที่วิปิยุจากจิตซึ่งเป็นอัพยากฤิตอาศัยสภาวธรรมที่สัมปะคุณด้วยจิตซึ่งเป็นอภิยากฤิตเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยสภาวธรรมที่วิปิยุจากจิตซึ่งเป็นอัพยากฤิตอาศัยสภาวธรรมที่วิปิยุจากจิตซึ่งเป็นอัพยากฤิตเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยสภาวธรรมที่สัมปะคุณด้วยจิตซึ่งเป็นอภิยากฤิต อาศัยสภาวธรรมที่วิปยุจจากจิตซึ่งเป็นอภิยากฤตเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปปัตจสภาวธรรมที่สัมปยุทธิจิตและที่วิปยุจจากจิตซึ่งเป็นอภิยากฤตอาศัยสภาวธรรมที่วิปยุจจากจิตซึ่งเป็นอภิยากฤิเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปปัตใจสภาวธรรมที่สัมปยุทธิจิตซึ่งเป็นอภิยากฤตอาศัยสภาวธรรมที่สัมปยุทธิจิตและที่วิปยุจจากจิตซึ่งเป็นอภิยากฤิเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปปัตใจ สภาวธรรมที่วิปยุจจากจิตซึ่งเป็นอภิญากฤิอาศัยสภาวธรรมที่สัมปยุจดิจิตและที่วิปยุจจากจิตซึ่งเป็นอภิญากฤิเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่สัมปยุจดิจิตและที่วิปยุจจากจิตซึ่งเป็นอภิญากฤิอาศัยสภาวธรรมที่สัมปยุจดิจิตและที่วิปยุจจากจิตซึ่งเป็นอัพยากฤิเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อสามเหตุปัจจัยเนือก้าวาระ อารามณปัจใจมีสามวาระอธิปติปัจใจมีห้าวาระและถึงอัญญะมัญญะปัจใจมีหกวาระและถึงปุเรชาตปัจใจมีหนึ่งวาระอาเตวนาปัจัยมีหนึ่งวาระกรมปัจัยมี9ก้าวาระวิปากปัจัยมีเ้าวาระและถึงอวิคตะปัจัยมีเก้าวาระย่อนาเหตุปัจใจมี9ก้าวาระ นอารมาณปัจจัยมีสามวาระนาะธิปติปัจจัยมี9้าวาระละถึงนาปุเรชาตปัจจัยมี9้าวาระและถึงนกกรมปัปจจัยมีสองวาร ะ, ะนะะ ว, ระนะวิปากปัจจัยมีห้าวาระนะอาหารปัจจัยมีหนึ่งวาระนะอินทริยปัจจัยมีหนึ่งวาระนาะชาณปัจจัยมีสองวาระนะมะฆาปัจจัยมี9้าวาระนะสัมปยุตตปัจจัยมีสามวาระ นวิปยุตตปัจจัยมีสองวาระและถึงโนวิคตะปัจจัยมีสองวาระย่อเพึ่งขยายสหช า, าตะวาระเป็นต้นให้พิดาร